ก็เราได้ <c oughs> ศึกษาและปฏิบัติกันมาสำหรับผู้เพิ่งมาใหม่วันสองวันนีก็คงยัง <c oughs> ไม่ไม่ลงตัวไงของนิวรนเท่าไหร่นะยังง่วงอยู่ยังคิดอยู่ยังวิตกกังวลอยู่แต่ว่าใน าการปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกตัวเข้าไปให้ชัดเนี่ยมันจะไล่พวกนี้ออกไวขึ้นนะความรู้สึกตัวชัดเจนเป็นเป็นเสมือนไฟที่สว่างแสงสว่างชัดๆเนี่ยความไม่สบายกายไม่สบายใจเหมือนความมืดสลัวของของอากาศหมอกควันรต่าง แต่ถ้าหากว่าแสงสว่างมันจ้าขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความมืดหมอกคนต่างๆก็ก็ล่าถอยไปให้จาคอนเซปต์หลักๆอย่างนี้เอาไว้ <c oughs> มันจะง่าย <c oughs> มันจะไม่ซับซ้อนเพราะว่า <c oughs> ในกฎของธรรมชาติมันจะมีแค่สองอย่างมืดกับสว่างสบายไม่สบายสุขทุกข์นรกสวรรค์พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบ เราหลักแค่สองอย่างแต่ไม่นช่ฝ่ายไหนไม้แต่ธรรมชาติของโลกผู้หญิงผู้ชายตัวผู้ตัวเมียมีล่างมีบนมีสูงมีต่ํามีดํามีขาวเป็นของคู่ทั้งหมดมเขาเรียกว่าธรรมชาติของโลกกําเนิดของมันก็มาจากจั ก, กรวาลคือมืดกับสว่างนี่ถ้าเราเข้าใจแนวหลักหลักนี้แล้วก็ทําใจได้ง่ายขึ้น แต่ว่าเราไม่ยึดทั้งสองอย่างนะหมายความว่าในส่วนมืดก็ไม่ยึดแต่เราจะใช้ความมืดอย่างไรให้เป็นประโยชน์สว่างก็ไม่ยึด <c oughs> แต่ว่าเราจะใช้ความสว่างอย่างไรให้เป็นประโยชน์เพราะในความมืดก็มีอันตรายในแสงสว่างก็มีอันตรายคนมันจะลักจะอโมยชี้ปล้นก็ไม่ใช่มันจะทำกลางคืนอย่างเดียวกลางวันมันก็ทํา ทุก็เหมือนกันนะมันว่าจะไปทุกในในส่วนที่มันเสียอย่างเดียวแม้แต่ดีมันก็ทุกได้ทุกในส่วนที่ว่าจะไปสัตว์นโลกเท่านั้นทุกไม่ใช่เทวดาในสวรรค์ก็ทุกได้ดังนั้นเองในดีมีเสียในเสียมีดีในชั่วมีดีในดีมีชั่วในสุขมีทุกในทุกมีสุขดังนั้นเราจึงไม่ไม่ยึดทั้งสองอย่าง นะแต่ว่าให้เข้าใจทั้งสองอย่างใช้สองอย่างให้เป็นประโยชน์ในสบายก็ไม่ยึดในะนไม่สบายก็ไม่ยึดไม่กลัวแต่พยายามใช้ความสบายไม่สบายให้ให้สมดุลกันอันนี้คือวิปัสนาจะช่วยเราเข้าใจในจุดนี้ถ้าเราไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนี้นะปฏิบัติกี่ร้อยขี่ชาติขี่อาจารย์ขี่ศาสดากี่พระพุทธเจ้า ก็ยังเหมือนเดิมมาแหละแต่เราเข้าใจหลักอันนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกองคสอนอย่างนี้หมดนะครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าสอนกับปัญจวัคคียทั้ง5้าคนที่เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้ารับรองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีดับพระอัาญญากุณญายังกินจีสมุทยิยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับ ก็มีแค่สองอย่างมีเกิดกับดับพระพุทธเจ้าบอกเออเข้าใจแล้วเข้าใจโลกแล้วเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ได้เนี่ยมันจะเข้าใจอย่างอื่นทะลุหมดในสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไม่ยึดไม่ยึดรักไม่ยึดชังใครมาทำให้เรารักเราก็ไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไหลคลั่งใครใครมาทำให้เราชังเราก็ไม่ถึงเลยชังจนสุดริมทิมประตู เพราะในความชังก็มีความรักอยู่ในความรักก็มีความชังอยู่ถ้าเราเป็นวิปัสนาเนี่ยจิตของเรามันจะเริ่มใช้เข้าใจทั้งสองอย่างแต่ถ้าเรายังวิเป็นไม่เป็นวิปัสนาวิปัสนาไม่ถูกต้องมันก็ยังดีดไปดีดมาดีดไปดีดมาทั้งสองขั้วนี่อยูน่นะมันปฏิบัติการตลอดเวลาในเรื่องสองขั้วเรานั่งเนี่ยมันก็มีความไม่สบายอยู่ส่วนหนึ่งแต่ความสบายก็มีอยู่ถ้าเราหามันเจอ หรือนั่งไปสู่ความสบายแล้วในความสบายมันก็ไม่สบายมันก็ตามมาความยากจนความรวยก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องเข้าใจเมื่อร่ํารวยมีเงินมีทองเราก็ไม่หลงไหลได้เพลิงประโยชน์เมื่อมันยากจนคนแค้นขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์จนกระทั่งว่าตอนฆ่าตัวตายหรือกินยาตายเราก็ใช้สองขว้ให้เป็นประโยชน์ เมื่อนี่คือเข้าใจคอนเซปต์หลักๆของชีวิตของอธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้วิปัสนาไม่เจริญวิปัสนาเนี่ยก็ยังมาถึงเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้หรือเข้าใจอยู่จําได้อยู่แต่ว่ามันทำไม่ได้เมื่ี้เขาชมเราแล้วก็น่าชื่นตาบานพอหลบไปอีกทีหนึ่งเขาด่าเราเนี่ยเราก็หงิกหน้าหงิกหน้างองหน้าบูดหน้าบึง้งทันทีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่มีวิปัสนา พอเรามีวิปัสสนาใครจะมานั่งชมเราก็เฉยๆจะยิ้มจะตอบแทนแล้วบางก็พอเป็นกิริยาเป็นธรรมเนียม <c oughs> แต่ใครมาด่ามานินทาเราเราก็ไม่ได้หน้าบุดหน้าบึง้งอารมณ์เสียทันทีแล้วก็รู้ทนันก็เป็นธรรมชาติธรรมาดามันก็มีมาก่อนแล้วไม่ใช่เขาจะมาด่าเรามาว่าเราม า, า, า, ม า, า, า, มาตําหนิเราในวันนี้วันก่อนก่อนปีก่อนก่อนชาติก่อนก่อนเขาก็ด่าว่ า, วาเรามา เราก็ทุกข์กับมันมาตลอดแต่วันนี้เราจะต้องทุกข์กับมันทําไมเราเคยรวยก็รวยมาแล้วเคยจนก็จนมาแล้วเราจะทุกข์กับความรวยควจนยังไงเนี่ยเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันสบายอยู่ที่ไหนก็สบายอืวันนี้มันหนาวชั่วโมงต่อไปมันอาจจะร้อนเราก็ไม่ได้ทุกข์กับความหนาวเราก็ไม่ได้วิตกกับความร้อนอเมื่อวานมันอิ่มเมื่อวันนี้มันอาจจะหิวเราก็ไม่ได้ทุกข์กับความหิ่มและความหิว เราพร้อมที่จะ <c oughs> บริหารทั้งสองด้านวันนี้มันมีแต่พรุ่งนี้มันขาดเราก็ไม่ทุกข์กับการมีและการขาดเห็นไหมวันนี้ลถดีสภาพพร้อมพรุ่งนี้ลถอาจจะเสียเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่ได้ทุ ก, ก, ก, ก, กข์กับทั้งสองอย่างเห็นไหมของคู่มันตามชีวิตเราตลอดมันไม่เคยห่างชีวิตเราเลยแต่เรามองไม่เห็นมันนะมองไม่เห็นมันเพราะเราไปยึดติดทั้งฝ่ายดินเพราะเราได้ ได้ในส่วนที่ดีแล้วก็ไปยึดติดคิดแต่เรื่องที่ดีๆหาในสิ่งที่ดีๆพอชีวิตเราประจูุฝ่ายในทางที่ไม่ปรารถนาไม่น่าพอใจเราก็คิดในทางที่จะออกจากมันคิดที่จะหนีมันคิดจะพ้นมันจิตใจริแล้วก็ยะมุ่งคิดอยู่ในทั้งสองฝ่ายเราไม่เคยคิดว่าจะทำงไงให้ใจเป็นกลางระหว่างทั้งสองสุขมีทุกมีเราอยู่ในท่ามกลางผงโคนก็มีคนที่เราชอบใจคนที่เราไม่ชอบใจก็มี เราเจอคนที่เราชอบใจเราก็ไม่หลงไหลได้กลุ้มคลั่งใครเราเจอคนที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่ระเกียดเดียดฉันแล้วก็ทําใจให้ให้มีเสมอทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเราจะถาคตไม่ได้จิตใจไม่ได้เอียงไปทางใดทางหนึ่งระหว่างเทวทัตกับราหุนท่านไม่ได้รักราหุนมากกว่าเทวทัตและท่านไม่ได้ชังเทวทัตมากกว่าลาหุน นี่นี่คือวิธีวางใจซึ่งเราอาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผ่านแต่เราก็คนที่จะฝึกทําดูบ้างในะส่วนที่เราทําได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีคู่มือแน่นอนจีใจแล้วก็สวิงไปสวิงมาอยู่เนี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวสบายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้การปฏิบัติเหมือนกันเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็รู้อ่าแต่ถ้าทำมันหลงขึ้นมาเรารู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกไม่ชอบรู้สึกหลุดถอยท้อถอ ย, ถอ ย, ถอยแล้วรู้ขึ้นมาเราเกิดตื่นเต้นดีใจว่าเรารู้ได้นอนได้นี่นี่จิตเราก็สวิงอยู่แค่สองเรื่องเนยดูดูให้ดีเพราะนั้นวิปัสสนาจะทําให้จิตเรามาเป็นกลางระหว่างทั้งสองเรื่องไม่ให้หลงไปทางใดาทางหนึ่งอ่า เรื่องที่ไกลตัวเราอาจจะทําใจได้ง่ายแต่เรื่องใกล้ตัวเราอาจจะทําใจได้ยากเนี่ยคนอื่นที่ไกลตัวเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รักไม่ได้หลงไม่ได้ชังแต่คนใกล้ตัวเราลูกตัวผัวเมีายญาติพี่น้องอมีผลนะเดี๋ยวรักคนนั้นเดี๋ยวชังคนนี้เดี๋ยวชอบคนนี้เดี๋ยวไม่ชอบคนนี้เดี๋ยวถูกใจคนนั้นเดี๋ยวไม่ถูกใจนี้จีนมันจวิ่งไปอยู่สองขั้วในชีวิตเรามันไม่มีอะไรมากจริงๆ แต่ทำไมเราดูเหมือนสับสวนวุ่นวายเพราะเรามัน ไ, ไม่เข้าใจมันกลางคืนเราก็วิ่งไปสู่หาที่สว่างพอกลางวันเราก็ไปแอบหาที่มุมมืดมุมสงบที่จะหลับจะนอนปิดไฟทําให้มันมืดลงก็ยังมีในเวลากลางวันในเวลากลางคืนเราก็พยายามหาที่สว่างพยายามสร้างไฟสร้างแสงสว่างขึ้นมาให้มาก เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของการเวลามันเป็นเพียงธรรมชาติแต่การที่จะทำความเข้าใจและหาเครื่องมือที่จะใช้การเวลาทั้งสองมุมมุมมืดสว่างเนี่ยเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องวิปัสนาร่างกายเดี๋ยวมันสบายเียมันป่วยเราเวลาสบายเราก็ไม่หลงไหลหรือว่ายึดติดให้มันเป็อย่างนั้นตลอดเวลามันทุกข์ไม่สบายขึ้นมาเราก็ไม่วิตกกังวลหรือกลัว แต่เราหาทางอยู่กับมันแก้ไขมันไปในส่วนที่ไม่สบายก็แก้ไขมันไปตามหน้าที่แก้ไขที่ต้นเหตุเวลามันสบายเราก็ไม่ได้เพลินกับความสบายจนมากเกินไปเวลาไปเชื่ออาหารที่ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะกินอย่าทุกวันไปเชื่ออาหารไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อยากเข้าใกล้ก็ลองกินมันดูไม่อิ่มไม่ไม่อร่อยมันเป็นยังไงถ้ามันอร่อยมากๆก็ลองไม่กินมันดูว่ามันเป็นยังไงหรือกินมันน้อยๆดูเป็นยังไงเนี่ย พิพิชณาช่วยเราตรงนี้นะช่วยให้เราได้ศึกษาข้อมูลชีวิตเนี่ยแต่เรามักจะลืมง่ายแหละในช่วงที่เราฟังช่วงที่เราปฏิบัติช่วงที่เราได้สติเร็วมืนว่าจะทําได้นะแต่ในช่วงเราไปเจอของจริงแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดว่าจะทําได้มันหายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติสมรยะจึงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญมากๆเพราะมันจะทําให้เราได้สติเร็วขึ้นทําให้ทําใจได้เร็วขึ้น น, นั่นคุณพ่อเลยออาตมาที่ไปซอกๆๆนี่เพื่อไปบอกสิ่งนี้เท่านั้นนะไม่ได้บอกเกินเลยเรื่องเหล่านี้เลยแต่เราจะทําได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าเรามีศรัทธาและความเพียรมากพอไหมและศรัทธาความเพียรนี่นก็ไม่ใช่ว่าจะมาเกิดที่วัดนะที่บ้านเราก็เกิดได้มีศรัทธาเราก็มาตั้งเวลาดูว่าวันหนึ่งจะ่สบสี่ชั่วโมงนะเราใช้อะไรไปบ้างส่วนที่เป็น จำเป็น จ, จริงๆมีกี่เรื่องไม่จําเป็นจริงๆที่เราคิดไปไม่มีกี่เรื่องส่วนที่จําเป็นที่จะต้องพูดจริงๆมันมีกี่เรื่องส่วนที่ไม่จําเป็นแล้วเราพูดไปมันมีกี่เรื่องส่วนที่จําเป็นที่จะต้องทําเนี่ยมันมีกี่เรื่องส่วนที่ไม่จําเป็นแล้วก็ทําไปเนี่ยมันมีกี่เรื่องค่อยมาคัดคัดคัดคัดคัอย่างนี้นะชีวิตเราจะเบาขึ้นสบายขึ้นมีความสุขขึ้นเยอะเลยแต่ทุกวันนี้เรามมวไปหมดนะจําเป็นไม่จําเป็นท่าก็พูดอยู่อย่างนั้นะ คนรทำหรือไม่ควรทำก็ทำอยู่อย่างนี้เนี่ยควคิดหรือไม่คนคิดฉันก็คิดอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเลยมั่วมันเลยเยอะอย่างเเรื่องอ่าแต่ถ้าเราตั้งสติให้ดีๆมีปัญญาใช้ปัญญาแล้วมาคัดแยกเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถึงแม้เวลาเป็นสมมุติก็ตามแต่ว่ามันก็ควรให้ใช้เป็นประโยชน์นะเมื่อเราตั้งสติคัดแยกจัด ตารางให้ประจำวันให้กับตัวเองบ่อยเข้าไปเข้ามันจะค่อยคุ้นเป็นนิสัยเป็นนาฬิกาชีวิตแล้วชีวิตเราจะเบาสบายขึ้นอันไหนที่ไม่จําเป็นคัดแยกออกไปแม้แต่อาหารการกินถ้าไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ลดมันลงบ้างอย่าไปกินแต่พืชแต่ผืนส่วนไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแม้ว่ามันจะไม่อร่อยไม่ถูกใจก็ลองกินมันดูบ้างไม่ใช่ว่าจะไม่แตะเลยอันไหนที่มันไรสาระ ที่จะทำให้ร่างกายเขาหนีปัญหาถึงมันติดมันชอบอะไรอะไรก็ต้องเลิกน้ําชากาแฟอาหารเสริมเครื่องดื่มบางอย่างเนี่ยมันทําให้เรามีปัญหาต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็เลิกมัน้ให้เราเสียเวลาขวนขวายส่อเสริงหาก็เลิกมันบ้างไม่ใช่ฉันชอบของฉันอย่างเนี้ยใครจะว่ายงไงก็ไม่สนวิปัสนาจีนก็ไม่เอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราทําบาปกับตัวเองพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้แล้วเดีนี้ นะเพราะฉะนั้นลองเอากิจวัตรประจําวันออกมาคัดแยกดูว่าเอาส่วนที่เป็นสาระประโยชน์จริงๆเนี่ยเราจะทําได้ไหมอันนี้คือวิปัสสนานี่คือปรมัตา์ปรมัตา์แปลว่าเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะสมมุติแปลว่ า, าใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้นเอง แต่ประโยชน์สูงสุดนั้นเราต้องเอาให้เกิดกับตัวเองก่อนแล้วประมัตใช้บางคราวเมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นแต่ประมัตจําเป็นแต่ละเวลาจําเป็นต้องใช้แต่ละเวลาเหมือนลมหายใจสมมติมเหมือนเสื้อผ้าใช้บางเรื่องบางตอนบางวันบางเวลาบางชุดแต่ลมหายใจไม่ใช่เสื้อผ้าที่คุณจะเปลี่ยนไปเ ป, เปลี่ยนมาเป็นชุดเหมือนเสื้อผ้านไม่ได้ ดังนั้นเราจ้องให้ความสําคัญในสิ่งที่มันจําเป็นให้มากที่สุดเลยก่อนทีมน่มันขาดไม่ได้ลมหายใจนี่ขาดไม่ได้ในแง่ของรูปธรรมแต่แง่ของนามธรรมลมหายใจของใจคืออะไรคือสติสัมปญะขาดไม่ได้ถ้าขาดเพิดเดียวมีหวังเป็นอุบัติเหตุตายกันเป็นสิบเป็นร้อยก็มี สมัุติ่เพียงขายเพียงนิดเดียววินาทีเดียวเนี่ยคนอาจจะตายเป็นร้อยหรือเราตัดสินใจเพียงวินาทีเดียวเราอาจจะสูญเสียทรัพย์เป็นแสนเป็นล้านได้ที่เขาหลอกลวงต้มตุนกันก็หรือเราขายสติเพียงแวบเดียวนี้เราอาจจะฆ่ากันได้ชั่ววูบหรือเขาเรียกอารมณ์ชั่ววูปก็มีตัวอย่างให้เห็นทุกทุกวันะแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ว่าการขายสติสมมุติบางทีมันได้แรงกว่าขาดลุมหายใจ ขาดลมหายใจสามนาทีห้าทีพออยู่ได้บางทีขาดสติสัมยาพียงวินาทีเดียวเนี่ยเราสูญเสียทรัพย์สินเงินทองมหาศาลก็มีเพราะฉะนั้นตัวสติสัมยาจะเป็นตัวกลั่นกรองตัวไค้ครวนตัวพิจารณาก่อนตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้มากไงประมาณนี้มันจะฝึกสติสัมยาเนะี่ยมันได้ไปฝึกให้เกิดสมาธิความสุขสงบอะไรนะเมื่อสติสัมยาเราดีเนี่ยเราจัดการปัญหาต่างๆให้ลดลงได้ความสุขมันมีมาเอง ความสงบมันมีมาเองแต่ถ้าหากเรามุ่งหวังความสุขสงบแต่ว่าไม่ลดละต้นเหตุของปัญหานี่มันสุขสงบยาวนานไม่ได้มันสุขสงบถาวรไม่ได้เดี๋ยวปัญหาที่เราไปก่อมันก็ปะทุ ข, ขึ้นมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทุกข์อีกแหละทุกวันนี้คนปฏิบัติธรรมเพื่อสแสวงหาความสุขสบายความ ส, สงบแต่ว่าไม่ลดต้นตอของปัญหาไม่ลดต้นตอของความายุ่งยาก เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีแต่เราไม่ได้ลดอาหารที่ทำลายสุขภาพเราไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่เราไม่ได้ลดความอาดิษฐอร่อยลงนะมันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะมีสุขภาพดีไม่ต้องไปกินอาหารเสริมไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่มาลดต้นตอของความเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายไม่ว่าอากาศอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมอาหารอาร่อยตามลดมันลงเราจะ เราจะประเซฟเวลาได้เยอะเลยนะเซฟสุขภาพได้เยอะมากเลยอั น, นี่คือประโยชน์ของวิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่ให้เราล่ํเรารวยเราขึ้นสวรรค์นะแต่วิปัสสนาเป็นการสร้างต้นเหตุของความร่ํารวยสร้างต้นเหตุของสวรรค์นิพพานมันอาจจะไม่ปุ๊บปั๊บเหมือน <c oughs> เหมือนที่เราต้องการ่ะแต่มันค่อยเป็นค่อยไปนะ ต้นผลไม้แม้ว่ามันจะอาศัยเวลานานที่จะออกดอกออกผลแต่เราก็อดทนรอมันได้เอาใจใส่มันได้ไม่งั้นถ้าเราเห็นว่ามันได้ผลช้าขี้เกียจปลูกขี้เกียจเอาใจใส่เราก็ไม่ได้กินผลไม้ทุกวันแต่ด้วยความอดทนของชาวสวนชาวไร่แล้วก็มีผลไม้กินได้ทุกวันเหมือนกันมักผลที่ผ่านดูมันไกลไกลแต่ถ้าเอาใจใส่ดูแลไปเรื่อยๆมันก็ออกผลิตออกผลให้ ใ, หใช้ทุกวันเหมือนกัน อันนี้คือหลักอยากจะให้พวกเราทั้งหลายซึ่งมีเวลาสั้นๆเข้าใจเอาไว้แล้วมันก็จะเกิดศรัทธาและความเพียรของมันเองไม่ต้องมีใครไปกระตุน้นอ่ะถ้าเราเข้าใจนะเหมือนเงินทองอ่ะเราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งสนองความต้องการเราได้ทุกเรื่องเนี่ยใครไม่ต้องไปบังคับให้เราหาเงินนะเราหาของเราเองถ้าหากว่ายิ่งได้ค่าตอบแทนชุงสูง เสียสะละเท่าไหรก็ยอมไม่หลับไม่นอนก็ได้ไม่กินไม่นอนก็ได้ขอให้ผลตอบแทนให้สูงเอาไว้อันนี้เป็นเงินเป็นทองที่สนองความต้องการนะแต่ว่าอริยทรัพย์คือสติสมิญญาศีลพระหูสัจจะนะปัญญาพวกเนี้ยเป็นอริยทรัพย์เราก็ต้องยิ่งสแสวงหาว่าเงินของทองอีก ถ้าเราไม่เห็นความสําคัญของเลยจัพย์เหมือนกับเงินทองที่เป็นพวกกระซั์เนี่ยความสุขสบายของเราก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มเพราะความสุขสบายทางกายเนี่ยมันก็อาศัยวัตถุข้างนอกคือเงินทองปเป็นเครื่องตอบสนองแต่ความสะดวกสบายทางจิตเนี่ยบางทีแล้วคนมีเงินเป็นแสนไปล้านก็เดือดร้อนเพราะเงินเพราะทองก็มีเราเห็นด้วยทั่วไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเงินเพราะทองก็มากมายที่เราเห็นนะ แต่ถ้าเรามีสติสัมัญยญปัญญาหาความสุขง่ายๆให้กับตัวเองโดยที่ไม่อาศัยความกระดิ่อร่อยความสนุกสนานเป็นเยื่อนะแต่อาศัยความไม่มีปัญหาความเข้าใจปัญหาแล้ววางใจเป็นกลางได้ทุกเรื่องคือความสุขสงบอันเทาวอนเป็นที่เรียกว่ามักผลนิพพานคือทางทางนั้นนะเพะนั้นเองถ้าเราทำได้คนหนึ่งเนี่ย เรื่องของคนรอบข้างของเราค่อยๆจะรับได้ไปเองเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวเราทําได้คนหนึ่งสามีภรรยาลูกหลานก็ค่อยได้รับอนิสงฆ์นี้ด้วยเมื่อเราได้รับผลของการปฏิบัติแล้วเราอาจจะเป็นคนเย็นลงมีเหตุผลยิ้มง่ายใช้คล้องบริการดีเราจะมีจิตกรุณานี่ใครบ้างที่จะไม่ชอบถ้าเราเป็นอย่างนี้ นะแล้วเราก็าเอาสิ่งที่ดีเนี่ยหยิบยื่นให้เขาไปวันนั้นน่ดหน่อยเขาก็เริ่มรับได้นี่วิปัสสนามันสามารถให้ผลอย่างนี้นคือมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนมีการเปลี่ยนแปลงถ้าสมมุติว่าเราจะไปปฏิบัติกิสนามภิวัติวาคีอาจารย์ก็ตามนะถ้าหากว่าคนรอบข้างไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราในทางที่เป็นบวกนะอมก็เรียก ว, ว่ามันมันเสียวเวลาก็ว่าได้ แต่ถ้าหากว่าศึกษาเพียงนิดหน่อยปฏิบัติเพียงนิดหน่อยแต่เอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปปรับใช้ได้อย่างเป็นผลนี่นะมีผลต่อชีวิตแล้วก็มีผลต่อคนรอบข้างนั่นเราว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลักของการปฏิบัติเนี่ยให้ต่อเนื่องให้จริงจังให้ตั้งใจให้ถูกต้องเขาไว้เนี่ย แล้วชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืนไม่ต้องอาศัยเวลา น, านานขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจะเข้มแข็งและมีความาคิดความอ่านมากน้อยแค่ไหนนะ น, นั้นก็ชีวิตที่เรามีอยู่จนมาถึงวันนี้ปลอดภัยจนถึงวันนี้ถือว่าเป็นโชคแล้วนะที่เราไม่ตกไม่ตายไม่พิกาพิการไม่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือไม่ตกต่ําไปมากกว่านี้ก็ถือว่าโชคแล้ว แต่จากช่วงนี้ไปเราน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่านี้เราไม่น่าพอใจเพียงแค่นี้นะคำว่าดีขึ้นกว่านี้หมายความใจมันดีขึ้นนะร่างกายมันดีขึ้นอารมณ์เราดีขึ้นนะควาอเมตตาการณุณาเราดีขึ้นปัญญาเราดีขึ้นนะแต่ปัญญาต้องมาก่อนเพราะปัญญานี่มันจะไปจัดการบริหารความดีต่างๆให้มันถูกต้อง แต่คนใหญ่คนเราส่วนใหญ่ดีทุกอย่างแต่ไม่มีปัญญาเนี่ยถูกหลอกถูกต้มถูกหุนถู ก, กเอาลัดเอาเปรียบถูกทำร้ายในที่สุดก็มีมีความดีแต่ไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกทำสิ่งที่ดีและเหมาะสมได้เฉพาะกรณีเฉพาะคนะบางคนเขาเป็นคนอย่างเนี้ยจะต้องทำดีต้องทำดีแบบนี้จะเอาทำดีแบบคนคนนั้นมาทำดีคนนี้มันไม่ได้ คนแบบนี้ต้องทําความดีแบบนี้นเข้าใจเนาะกับลูกคนนี้มันพฤติกรรมเนี่ยเอาพฤติกรรมจากลูกคนนั้นมาสอนลูกคนนี้ไม่ได้แล้วคนนั้นมันว่านอนสอนง่ายกว่สอนใช้ดีอีกแบบหนึ่งใช้ปัญญาอีกแบบแต่คนนี้มันดื้อด้านไม่ฟังความเนี่ยเราก็ต้องใช้ความดีอีกแบบหนึ่งความดีของคนคนนั้นอาจจะใช้ของขวัญใช้รางวัลที่เป็นของมีค่าแต่คนดีสําหรับคนนี้อาจจะเป็นไม้เลวหรือเงื่อนไขอะไรอย่างอื่นักอย่าง นะซึ่งมันต้องให้ไม่เหมือนกันลนะต้องดูคนด้วยเมื่อกันเราก็ใช้วิปัสสนาไม่เป็นนะนั้นก็อยากจะให้ลองเอาไปศึกษาดูแล้วก็สิ่งที่ไม่น่าไม่ค่อยไว้วางใจก็คือเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ต่างๆมีเทคนิคในการสอนในการชักจูงแรงจูงใจในการหลอกล่อให้เราปฏิบัติตามเนะี่ยมีหลายวิธีการ ถ้าเราไปพบเราต้องถ้าเราไม่มีหลักเนี่ยนะเราก็จะเคลิ้มไปตามจำนวนวัวหารเทคนิควิธีการอะไรของท่านถ้าเราไม่มีหลักแต่ถ้าหากว่าเรามีหลักแล้วเนี่ยสามารถฟังแล้วตัดสินได้เลยว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกเราไม่ได้ฟังเพื่อที่จะเอานะแต่ฟังเพื่อทีจะหาความถูกต้องที่เรารับได้ที่เราทําตามได้เราศึกษาเรื่องนั้น ถ้าเรารับได้ทําตามได้เรื่องสุขเรื่องสงบเรื่องสบายไม่ใช่ของยากเลยมาได้ง่ายง่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่เกิดปัญญาที่จะสแสวงหาสิ่งนี้เนี่ยแม้แต่ครูบาอาจารย์ในเกจีอาจารย์มงคนอาจจะบันดานให้เราถูกหวยรวยทรัพย์แต่ว่าไม่ได้ให้ปัญญาอะไรกับเราเลยแต่ตัวนั้นจะเป็นความเสื่อมอีกทางหากคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นไปที่ไหนไปสแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อได้ทรัพย์ได้ลาบได้โชค ซึ่งมันไม่ถูกไม่ใช่วิธีพูดมันเป็นวิธีพราหมณ์วิธีพูดต้องให้ได้สติให้ได้ปัญญาให้ได้ความรู้ที่จะพัฒนาตนเองเพราะมนุษย์แต่ละคนมันเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอยู่แล้วเพียงแต่เราขาดหลักการพัฒนาให้ถูกต้องเท่านั้นชีวิตของเราด้อยค่าไปเรื่อยๆหมดค่าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้วิธีพัฒนาชีวิตจิตใจที่ถูกต้องชีวิตของเราจะมีค่าสูงสุดจากบุรุษชนก็เป็น กเรียชนจากกเรียชนก็เป็นอริยชนจากอริยชนก็เป็นพระหันเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามนะเอาตัวสติสัมยาแนไปไปฝึกฝนให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นเราต้องอมีวินัยกับตัวเองหน่อยนะมีวินัยตัวเองในการดูแลตัวเองถึงเวลาถึงเวลานี่เวลาภาวนานะก็เข้าภาวนา เวลานี้เป็นเวลาทํางานนะก็ทํางานในขณะทํางานจะภาวนาได้อย่างไรก็ต้องคิดพิจรารณานะในขณะทํางานการภาวนาไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะการภาวนาสามารถบูรณาการเข้าไปทุกกิจกรรมถ้าเราใช้เป็นเพราะในการปฏิบัติแบบนี้เรามีการเคลื่อนไหวอย่างมีสติการทํางานทุกอย่างก็อาใช้การเคลื่อนไหวทั้งนั้นนะถ้าไม่เคลื่อนไหวมันทํางานไม่ได้ แต่เคลื่อนไหวอย่างไรให้มีสติในงานด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำหรับคนเข้าใจสำหรับคนที่ฉลาดจะทำได้นะดังนั้นเองถ้าหากว่าเราเห็นความสำคัญของเรื่องวิปัสสนาต้องใส่เข้าไปทุกเรื่องเหมือนกับเราหาวิธีที่จะได้เงินได้ทรัพย์เนี่ยเราก็พยายามสร้างกิจกรรมธุรกิจ ท, กทุกวิธีการที่จะให้มันได้เงินเราก็ยังทาได้ ทั้งที่เงินทองมันเป็นทรัพย์สินชั่วคราวได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปแต่ว่าอริยทรัพย์เนี่ยได้มาแล้วมันเพิ่มได้มาแล้วมันเพิ่มมันไม่ได้หมดทำไมเราไม่หาทางวิธีให้มันเพิ่มขึ้นอันนี้ให้เอาไปศึกษาดูเพราะสนามปฏิบัติของเราก็คือที่บ้านของเราก็แล้สนามปฏิบัติของเราก็คือที่ทางานของเราคนที่จะตรวจสอบความอารมณ์ของเราถูกรูกผิดก็คือ คนใกล้ๆตัวเราน่แหละอาจจะเป็น like ลูกเป็นสามีภรรยาเป็นญาติพี่น้องเพราะแต่ละคนเนี right ่ยมันเป็นมีมโนสำนึกอยู่ใต้สำนึกทุกคนมองอะไรตรงๆซื่อๆจัดสิ่งง่ายๆเราก็ต้องฟังเขาฟังในส่วนที่มันถูกเราก็แก้ไขปรับปรุงตามในส่วนที่ไหนที่มันไม่ถูกเราก็ฟังไวเท่านั้นเองเราไม่จาเป็นจะต้องว่า อันไหนไม่ชอบไม่ถูกฉันก็ไม่เอาฉันก็มีปฏิกิริยาต่อต้านอันไหนที่มันถูกใจฉั้นก็สนรเสริญเยียดเยอเต็มที่อันนี้ก็ไม่ใช่ละให้เป็นกลางต่อของสองอย่างขเขาเรียกว่าโลกธรรมสุขคู่กับทุขขบทกนินทาคู่กับสรรเสริญลาบคู่กับเสื่อมลาบยศคู่กับเสื่อมยศเราต้องวางใจเป็นกลางทั้งสองฝ่ายเมื่อว่าได้ลาบมาเราก็ไม่ได้ดลงไหลได้เพิ่มโดยเสื่อมลาบไปเราก็ไม่ได้หูถูหูเทาะหอย วัานไหนที่ถูกสนิเสินเอาใจเราก็ไม่ได้ลหลงไหลได้เปลิงวัานไหนที่ถูกนินทาวิภาควิจารณ์สุ ป, ประมัดเราก็ไม่ได้โวยวายหรือเป็นทุกข์กังวลก็ทำใจเป็นกลางได้อันนี้คือผลของวิปัสสนามันจะออกมาในรูปแบบนี้นะและวิปัสสนานจะมีผลเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆก็ตรงที่ว่ามีศรัทธาและความเพียรทาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะ เะ น, นันจึงฝากไว้ในเวลาสั้นๆ น, นี่นะให้เอาไปพิจารณามีคำถามอะไรบ้างไ้ยไม่มีนะมีไหมมีลองคิดว่าน่าจะไม่เข้าใจในที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยไม่มีรองถามเข้าใจนะเอาไปทำได้ไหมไ ด, ได้มาเที่ยวหน้าต้องเปลี่ยนแปลงใช่ <c oughs> ไหเ <laughs> อสายกลางให้ได้เขาด่าวมาก็ อ, but, อ, า اد, อาจจะอาจจะกระตุกไปห่อยกลับมาตรงกลางให้ไวเขาชมมาอาจจะใจฟูไปกลับมาตรงกลางให้ได้ทางสติกลับมาตรงกลางให้ได้นะเวลาเสียเงินขึ้นมาอาจจะตกใจไปกลับมาตรงกลางให้ได้เวลาได้เงินมาเยอะแยะก็เยอะไปหลงไหลดีใจกลับมาตรงกลางให้ได้แล้วมันจะสบายขึ้นเลยเลยๆใครจะไปเตือนอะไรให้ตรงกลางไะไรนอกจากตัวเราเอง แต่ตัวเราเองไม่สร้างตัวกำลังของสติสัสมผัญหญ่บ่อยนะมันจะมีกำลังมาเตือนเราได้ไหมไม่มีลืมไปเลยแต่แเราพยายามทำทุกวันทุกวันนะสร้างอย่างว่าไม่ต้องไปนั่งหลับตายเสียเวลาหลับตาก็เพื่อความสงบไ ด, งได้นู่นได้นี่มันเดียวก็สิมันก็สูญไปแต่ตัวนั่งลืมตานั่งทำไปให้รู้สึกตัวทำทุกอย่างสูพื้นล้างถ้วยล้างชามทักผ้าให้รู้สึกตัวกับมัน ให้ใจอยู่กับมันแค่นั้นแหละไม่ต้องไปส่งใจไปขูพื้นไปคิดไปทุกวันนะกูต้องทําลูกทั้งหลายคนมันไม่เช่วยกูเลยเนกะ็คิดไปทําไป <c oughs> ทําไปคก็ทุกไปกินกันทั้งหลายคนเวลาล้างกูล้างอยู่คนเดียวทําไปบุญไปล้างไปคิดไปเนี่ยมันมันทําไปด้วยตกนระกไปด้วยมไม่ได้ไประโยชน์อะไรทำไปล้างไป เออนี่ดีนะกูได้เจริญสติเอามาให้กูเยอะๆนะ่อยก็ดีกูจะเจริญสติมีเท่าไหร่กูใช้ทําทให้หมดเลยมา น, นี่ถ้าคิดได้อย่างงี้โอ้โหมันมีความสุขมากเลยในการทํางานใช่ไหมมีอีกไม่ผ้าเสื้อพวกเธอเนี่ยมาๆมาซักอย่างนี้นะเธอจะมีความสุขในซักอย่างแม่เนี่ยทำให้ดูเลยนนเนี่ยมนี่แม่จะสอนให้พลิกในเรื่องที่มันคิดว่าไม่ดีให้มันดีได้อันนี้เป็นเรื่องของวัญญาณนะ บ้านทั้งหลังนะให้กูกวัดคนเดียวพวกสู้ทำไมอยู่กันไปโขลงเนี่ยไม่เชื่อกันกวัดบ้างเนี่ยทําไปบนไปใช่ไหมนั่นแหละคือในโลกของเราและไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวั น, วนสีใจแล้วก็แย่ใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราทําอย่างเปลี่ยนแปลงเชิงใหม่เนี่ยทําอะไรก็ลองทําบรนดูทําอย่างมิสตตีเนี่ยลองทำลองท ำ, ลองทำดูก่อนบางครั้งหนึ่งหลวงพอจะยกของสักอย่างมันเกินกําลังหลวงพอก็พยายามยกอย่างนั่นแหละเดี๋ยวเทวดาก็เห็นเขามาช่วยเอง แต่ว่าโอ้ของนี่หนักฉันไม่แตะเลยไม่ได้ก็พยายามหน่อยโอ้อันนี้เยอะเกินไปไม่ไหวทำไม่เสร็จก็ต้องทำดูสักหน่อยดูก่อนเผื่อว่าเทวดามาช่วยให้คิดอย่างนั้นเลยนะแล้วมันสนุกในการใช้ชีวิตเข้าใจนะโอเคถ้าเข้าใจอเอาแค่นี้